อย่าไปว่าเขาพอสวดมนต์ภาวนามากๆจิตใจมีความสงบเป็นบุญเป็นกุศลกิเลสน้อยลงจิตก็สามารถจะไปรู้อะไรๆที่ลึกซึ้งได้พอกระแสธรรมเชื่อมเข้ามีพลังความคิดอ่านมันจะไปเองถ้ากระแสธรรมขาดก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่เราไม่ต้องไปเทียบกับใครเราจะรู้เอง รายละเอียดจะอยู่ในนั้นหมดเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องการใช้หนี้กรรมมันเป็นจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นท่านอาจารย์มั่นท่านสอนไว้ถึงแม้เขาจะผิดจริงเราก็ไม่ควรไปว่าเขากรรมจะเกิดกับผู้พูดพวกเราชอบวิพากวิจาร์เพื่อนไม่ได้นะเลิกเสียเรื่องของใครของมันอย่าวิพากวิจารกรรมมันจะตกมาที่ตัวเราคนเรามีพื้นฐานมาแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นปฤติกรรมมันจะออกมาเหมือนกันไม่ได้คนบางคนเขาไม่รู้เพราะความไม่รู้เขาถึงทำเราอย่าไปว่าเขาอย่างคนที่อยากจะมาทำบุญกับท่านมีมากบางทีเขาเอาอาหารมาใส่บาตรพอมาถึงกาลังจะวางของบนโต๊ะเตรียมรอใส่บาตรก็มีคนบอกว่าตรงเนี้ยจองแล้วจิตใจเขาก็ห่อเหี่ยวถ้าเจอแบบนี้ก็ให้บอกเขาว่า หลวงตาสอนไม่ให้ว่าใครช่างคุณจองเขาเราไม่วางก็ได้อุ้มเวลายืนใส่บาตรก็ได้ท่านสอนให้เราดูตัวเองไม่ว่าคนอื่นตัวข้าพเจ้านั้นพอถวายอาหารท่านเสร็จแล้วก็จะกราบลาออกมาทันทีเลยจะไม่นั่งเฝ้าท่านอยู่ในสาลาอย่างนั้นเพราะเราต้องให้โอกาสผู้ที่มาระยะสั้นๆให้เขาได้ชมบารมีท่านใกล้ๆอย่างไรก็ตาม คนที่ชอบจองที่ใส่บาทจองที่นั่งในศาลาก็ยังมีท่านถึงได้บอกว่าท่านมองไปแล้วเห็นจิตที่ยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่น่าสงสารนี่คือตัวอย่างของจิตที่ยังติดกิเลสอยู่เยอะเทียบกับจิตที่ได้รับการฟอกแล้วหลวงตาถึงเน้นสอนให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นเขาใครไม่ดีก็ช่างเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเป็นลูกศิษย์ท่านมานานแล้วสมควรจะต้องถอยให้คนอื่น ให้โอกาสคนอื่นบ้างหรืออย่างที่อยู่กันเยอะๆข้างในวัดและมีปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่ไปมีปัญหากับใครเขาตอนมาใหม่ๆข้าพเจ้าไม่หาทางเดินจงกรมตรงไหนว่างก็เดินไม่มีทางให้เดินก็เดินรอบต้นไม้ก็ได้ไม่มีที่นอนข้างโวมก็ยังนอนเลยเวลาจะ น, นั่งอ่านหนังสือตรงไหนว่างๆก็ปูกระดาษหนังสือพิมพ์นั่งอ่านตรงนั้นแหละให้ดูตัวเองอย่าไปมัวดูมัวว่าคนอื่น เสร็จแล้วเราก็มีความสงบเย็นใจความอยากมันก็นิ่งเพราะเรารู้จักพออยู่ในสภาพที่เราอยู่ได้และก็พอใจใครครบหรือไม่คบก็ช่างเขาใครทําใครได้ใครได้อะไรใครจะรู้เราต้องรู้ของเราเองจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคนที่เคยรับราชการอยู่ด้วยกันเขาตายโดยไม่ทันตั้งตัววันหนึ่ง ข้าพเจ้าขนของไปสวนแสงธรรมเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาสักพักได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกว่าเวลานี้ผมเป็นอย่างที่คุณบอกแล้วก็เลยส่งจิตไปถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกชื่อข้าพเจ้าก็แปลกใจอา้าวแล้วทำไมคุณมาเป็นอย่างนี้ล่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเจ้านายว่าเขาในที่ประชุมและเขาเสียใจกินยาตายข้าพเจ้าก็ถามเขาว่า คุณมาได้อย่างไรเขาบอกว่าผมบอกคนพามาว่าให้พามาพบคุณนิดก่อนแล้วเขาจะได้บุญด้วยก็คุยคุยกันและเขาก็ขอบคุณแล้วก็หายเงียบไปหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ดาเนินเรื่องให้เขาบอกให้เพื่อนเขาติดต่อไปที่เจ้านายคนที่ทำให้เขากินยาตายว่าเจ้านายควรจะชดใช้กรรมให้เขาอย่างไรบ้างบอกให้เขาช่วยดูแลเรื่องการเรียนของเด็กๆให้จบจะคิดว่าแค่บวชแค่นี้กรรมไม่ได้หรอก เพราะพอ่พอเด็กตายไปครอบครัวของเขาก็หมดผู้นำไม่มีหลักไม่มีกำลังเขาเป็นข้าราชการชั้นพิเศษพอถูกว่าในที่ประชุมก็เสียใจมากเลยคิดสั้นกินยาตายเพราะฉะนั้นอย่าว่าใครแรงๆโดยไม่ยั้งคิดครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้